เรื่องพระจิตตหัตเถระพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพพระเถระชื่อจิตตหัตกุลบุตรคนหนึ่งเป็นชาวเมืองสาวัตถีสแสวงหาโคที่หายไปอยู่จึงเข้าไปในปา่าพบโคในเวลาเที่ยงลอยโคเข้าฝูงแล้วเข้าไปในวัด หวังจะได้อาหารก้นบาตรพระในสำนักพระคุณเจ้ามีพัดคืออาหารอันเหลือจากภิกษุทั้งหลายชันแล้วกุลบุตรนั้นเห็นแกงและกับมากมายกินอิ่มแล้วพลางคิดว่าแม้ทำงานเนือ ง, งตลอดทั้งวันยังไม่ได้อาหารมากมายถึงอย่างนี้อยากเร น, นั้นเลยเราจกบวชจึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาอุปสมบททาวัดปฏิบัติวัดแกภิกษุทั้งปวง เธอมีสรีระอ้วนท้วนเพราะราบสการะทั้งหลายภายหลังเกิดคิดว่าเราจะต้องการอะไรด้วยการบวชเที่ยวไปหาภิกษาเลี้ยงชีพเราจะเป็นข้าเรือหัดศึกแล้วเข้าไปสู่เรือนทําการงานอยู่สองสามวันสรีระสู้ผอมเธอคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยการเป็นข้ารือหัดเราจะบวชเป็นสมณนะดังนี้แล้วกลับไปบวชใหม่ เธอยั้งอยู่ได้ไม่กี่วันกระสันขึ้นแล้วสึกอีกโดยหนึ่งถึงสามวันเท่านั้นเธอก็ระอาใจเข้าอีกคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยเข้ารือหเดรอจากบวชจึงไปไหว้ภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุให้เขาบรรพชาอีกแล้วอยู่อย่างนี้ถึงหกครั้งภิกษุทั้งหลายคิดว่าเพราะเหตุภิกษุนี้เป็นไปในอำนาจแห่งจิตเที่ยวไปอยู่จึงเรียกชื่อว่าจิตทหั์ ครั้งที่เจ็ดเขาเที่ยวไปไปมามาอยู่อย่างนี้พันยาได้มีคันแล้วในวาระที่เจ็ดเขาแบกเครื่องไถยจากป่าไปเรือนวางเครื่องใช้ไว้เข้าห้องด้วยประสงค์ว่าจะหยิบผ้ากาสาวะของตนขณะนั้นพันยากำลังนอนหลับผ้าหลุดลุยน้ำลายไหลออกปากจมูกก็กรนเสียงดังคลืดครืดปากอ้ากัดฟันเขาคิดว่า ไม่เพียงสรีระนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์จึงฉ่วยผ้ากาสาวะั่านท้องพลางออกจากเรือนไปสู่วิหารบ่นไปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์กำลังเดินไปไปมามาบรรลุโสดาปติผลแล้วเข้าไปไหว้ภิกษุทั้งหลายแล้วขอบรรพชาเธอบวชได้สองสาวันเท่านั้นบรรลุอรหั์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธา ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าคุณจิตตหัตคุณควรรู้สมัยที่คุณจะไปโดยแท้ทำไมในวันนี้จึงชักช้าอยู่ละ่ะเธอกล่าวว่าผมจะไปแล้วในเวลาที่มีความเกี่ยวข้องรอขอรับวันนี้ความเกี่ยวข้องนั้นผมตัดได้แล้วต่อไปนี้ผมมีความไม่ไปเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายไปทูลฟ้องพระาศาสดาว่าเธอพยากรณ์อรหัต เธอพูดคำไม่จริงพระศัสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายบุตรของเราได้ทำการไปและมาในเวลาไม่รู้พระสัทธรรมในเวลาที่ตนมีจิตยังไม่มั่นคงปัตนี้บุตรของเรานั้นละบุญละบาปได้แล้วคำว่าละบุญละบาปได้แล้วตรงกับคำว่าบุญบางนิพพาน และคำว่าชั่วก็ไม่ดีดีก็ไม่เอากรรมไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมทรงตรัสพระคาถาว่าปัญญาย่อมไม่สมบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจงซึ่งประสัทธรรมมีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอยภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมทราบ มีใจไม่ถูกโทสะตามกระทบละบุญละบาปได้ตื่นอยู่ต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายต่างสนทนากันว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้หยาบนักกุลบุตรพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัสต์เห็นปานี้ย่างถูกกิเลสให้มัวมองได้ต้องเป็นก็รหัสถึงเจ็ดครั้งบวชเจ็ดครั้ง พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสทั้งหลายย่อมเป็นสภาพหยาบถ้ากิเลสเหล่านี้มีรูปร่างอันใดๆพึงจะสามารถเก็บไว้ในที่บางแห่งได้จั ก, กรวาลยังแคบเกินไปรมโล ก, ก็ต่ำเกินไปโอกาสของกิเลสเหล่านั้นไม่พึงมีที่จะบรรลุเลยอันกิเลสเหล่านี้ ย่อมทำบูรุตอาชาในที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาแม้เช่นกับเราให้มัวหมองได้จะกล่าวอะไรในชนที่เหลือจริงอยู่เราเองก็เคยอาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยเพียงครึ่งันนานและจอบเฮียนบวชศึกแลถึงหกครั้งพระบรมศาสดาทรงตรัสต่อเรื่องกุฏธธาละบันดิตคือบันดิตจอบเฮียน ในอดีตการพระเจ้าพรมทัตสวยราชสมบัติกรุงพาราณสีบุรุษผู้หนึ่งชื่อกุทธาละบันดิตเป็นนักบวชนอกศาสนาอยู่ในป่าหิมะวันแปดเดือนเมื่อสมัยที่ฝนตกชุกก็คิดว่าที่บ้านมีข้าวฟ่างและลูกเดือยครึ่งทนานและจอบเฮี้ยนอีกอันหนึ่งอย่าพึงเสียไปจึงสึกออกไปเอาจอบฟื้นดินหวานพืชนั้น ในเวลาที่เก็บเกี่ยวก็เก็บพันธุ์พืชไว้หนึ่งทนานเคียวกินพืชที่เหลือแล้วคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยเรือนเราจะบวชอีก8ดเดือนจึงออกบวชแล้วด้วยอาศัยเข้าฟางและลูกเดือยเพียงหนึ่งทนานกับจอบเฮี้ยนเป็นข้ารหัสถึงเจครั้งบวชเจครั้งดังนี้แหลแต่ในครั้งที่7คิดว่าเราอาศัยจอบเฮี้ยนอันนี้เป็นขารหัดแล้วบวชถึงเจครั้ง เราจะทิ้งมันได้ไปแล้วยังฝั่งแม่น้ำคงคาคิดว่าเมื่อเราเห็นที่ตกคงต้องลงงมเอาเราจะทิ้งมันโดยอาการที่ไม่เห็นจึงเอาผ้าเก่าห่อพืชหนึ่งทนานและผูกผ้าเก่าที่แผ่นจอบจับจอบที่ปลายด้ามยืนที่ฝั่งแห่งแม่น้ำหลับตาแควงเวียนเนือีสะสามครั้งควางไปในแม่น้ำคงคาหันไปดูไม่เห็นที่ตกได้เปล่งเสียงว่า เราชนะแล้วเราชนะแล้วดังนี้สองครั้งในขณะนั้นเจ้ากรุงภารณสีทรงปราบข้าศึกให้สงบราบคาบแล้วสเสด็จมาตั้งค่ายพักที่ริมฝั่งใกล้แม่น้ำกำลังจะสงสนานได้สดับเสียงนั้นด้วยคำว่าเราชนะแล้วย่อมไม่พอพระหฤทัยจึงเข้าไปตรัสถามว่า เราย่ำยีอมิตรมาก็ด้วยคิดว่าเราชนะส่วนเธอร้องว่าเราชนะเราชนะแล้วเนี่ยเธอชนะอะไรกุ ธ, ธาละบัณดิตจึงทูลถามว่าพระองค์ชนะแต่พวกโจรภายนอกความชนะที่พระองค์ทรงชนะแล้วย่อมกลับไปเป็นไม่ชนะอีกได้แท้ส่วนโจรคือความโลภซึ่งมีภายในอันค่าพระองค์ชนะแล้วโจรคือความโลภนั้น จกไม่กลับมาชนะค่าพระองค์อีกชนะโจรคือความโลภนั้นอย่างเดียวเป็นดีดังนี้จึงกล่าวคาถานี้ว่าความชนะใดกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ใช่ความชนะที่ดีส่วนความชนะใดไม่กลับแพ้ความชนะนั้นเป็นความชนะที่ดีในขณะนั้นนั่นเอง กณะเละดูแม่น้ำคงคาอย่างกระสินมีน้ำเป็นอารมณ์ให้บังเกิดบรรลุคุณวิเศษแล้วนั่งในอากาศโดยบัลลังพระราชาทรงสดับธรรมกถาของมหาบุรุษไหว้แล้วทรงขอบวชทรงผนวดพร้อมมูพลได้มีบริษัทประมาณโยน์แม้กษัตริย์สมันตราอื่นเมืองใกล้เคียงทรงสดับความที่เจ้ากรุงพาราณสีออกผนวด เสด็จมาหมายจะยึดพระราชสมบัติเจ้ากรุงพระนศีนั้นทรงเห็นพระนครที่มั่งคั่งอย่างนั้นว่างเปล่าจึงทรงดำริว่าพระราชาทรงทิ้งพระนครเห็นปานนี้ผนวดแม้ถึงเราก็โควรผนวดดังนี้แล้วทรงเสด็จไปที่นั้นแล้วขอบวชกับมหาบุรุษพระราชาทั้งเจ็ดพระองค์ทรงผนวดโดยทํานองเดียวกันมีอาสมตั้งแผ่ไปถึงเจ็ดโยตอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้วกุฏิาลาปันดิตในครั้งนั้นได้เป็นเราขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้เป็นสภาพหยาบอย่างนั้น